ทียานุโลม 2. ส, สังคยาวาระเกเจเหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจจัยมีแปดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตะปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสิบสาวาระ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 สัมปยุตตปัจใจมีสามวาระวิปยุตตปัจใจมีห้าวาระอัฐิปัจใจมีสิบสามวาระนัถิปัจใจมีเจดวาระวิคตะปัจใจมีเจวาระอวิคตะปัจใจมีสิบสามวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระเก้าสิบปดสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคตโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคต์และมักเบื้องบนสามโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัย สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมรรคเบื้องบนสามโดยสหาชาตะปัจจัย9 9สาภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอรมณปัจจัยสหาชาตปัจจัยและอุปณิสยปัจจัย สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอารมณะปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมรรคเบื้องบนสาโดยอารมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัย สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสโดยสหชาติปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาโดยอารมณ์ปัจจัย สหชาติปัจจัยอุปานิสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยกรรมปัจจัยอหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยอารมณปัจจัยอุปานิสยปัจจัยและปุเรชาติปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้ดวยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสโดยาอารมณะปัจจัยอุปาณิเสยาปัจจัยและ yes, ปุเรชาตะปัจจัยร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักมี2อย่าง คือสหาชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคบืงบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคบืงบนสามมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสภาวธรรมที่ต้องประหารได้มรรคบืงบนสาม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 ปัจฉาชาตะมหาระและอินทรียะสปัจจยปัจจนียสอสังคยาวาระร้อนเหตุปัจจัยมี14วาระนอะาอรมาณปัจจัยมี14วาระนะอธิปติปัจจัยมี14วาระน่ะอนัตตะปัจจัยมี14วาระนะสมนันตะปัจจัยมี14วาระ นสหชาตปัจจ <t ap ot less> ัยมีสิบวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระนนิสยปัจจัยมีสิบวาระนอุปนิสยปัจจัยมี14วาระนบุเรชาตปัจจัยมีสิบสองวาระนปัจชาชาตปัจจัยมี14วาระนอาเสวนปัจจัยมี14วาระนกรรมปัจจัยมี14วาระนวิปากปัจจัยมี14วาระ ณอาหารปัจจ well, ัยมีสิบี visuals, ans, ่วาระณอินทรียปัจจัยมีสิบี่วาระณชาณปัจจัยมีสิบสี่วาระนมรรคปัจจัยมีสิบสีวาระณสัมพยุตตปัจจัยมีสิบวาระณวิปยุตตปัจจัยมี8ดวาระโนอัติปัจจัยมีแปดวาระโนนัิปัจจัยมีสิบสี่วาระโนวิคตาปัจจัยมีสิบสวาระ นอวิคตปัจจัยมีแปดวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบสปัจญานุโลมปัจจนียะร้อยสามนัอรามณะปัจใจกะเพะุตปัจจัยมีเจ็ดวาระนัอธิปฏิปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระนัอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนัสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระ นอัญญมัญญปัจจัยขเภตุปัจจัยมีสามวาระนะอุปนิสยปัจจัยละถึงมีเจดวาระนาะปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนะปัจฉาชาตะปัจจัยมีเจดวาระนะอาศัยวนะนปัจจัยมีเจดวาระนะกรรมปัจจัยมีเจดวาระนะวิปากปัจจัยมีเจดวาระนะอาหารปัจจัยมีเจดวาระ นาอินทรียปัจจัยมีเจดวาระนาชานาปัจจัยมีเจดวาระนามัคคปัจจัยมีเจดวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนาธิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบสปัจญยปัจญิยานุโลม ร0 4อารมณะปัจจัยนั่นเหตุปัจจัยมีแปดวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสิบวาระอันันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกั่นเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจยและถึงมีแดวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระปัจชาชาตปัจจัยมีสมวาระอาเสวนปัจจัยมีสมวาระกรรมปัจจัยมีเจวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีเจวาระอินทรียะปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญจิยานุโลมจบทัศเนนะปะหาตับพติกะจบ เหตุกะเตกะหนึ่งปฏิเจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังฆาวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นขันสอง สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักบื่องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักบื่องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตดสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เกิดขึ้นขันสองสองสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารได้มรรคบืงบนสามเกิดขึ้นขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบืงบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบืงบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบืงบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบืงบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบืงบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารได้มรรคบืงบนสามเกิดขึ้นขันสองสาม สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภะและมรรคบื้งบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภะและมรรคบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภะและมรรคบื้งบนสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น จิตตสมุมทานรูปอาศัยโมหะที่สหรูปด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทะจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามละกประตาตารูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเปรีมเบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง จิตตสมุฐานรูปและกระตะตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และมักเบื่อโบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จได้แก่สัมปยุจตะขันอาศัยโมหะที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรคและมรรคเบืงบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่สามประยุติขันอาศัยโมหะที่สหรรคด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมรคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุ ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุทธ์ตขันและจิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรกรด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบืงบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่สามปัจจุขันและจิตตสโมทฐานรูปอาศัยโมหะที่เสะหระรกรดด้วยอุทจฉาเกิดขึ้น 4. ส, สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมักเบืงบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เจาะโรคโคตร ว, วิจิกิจชาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและโมหะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารได้โสดาปฏิมักและมักเบื้งบนาสารร ม, ม, เ, าสา ม, กมกเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศ be ัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและอ MM าศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะ และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สหรพดุวิจิกิจฉาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและโมหะเกิดขึ้น 5. สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่โสรคตด้วยอุทจจะและอาศัยโมหะเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและโมหะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารได้โสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่ม uh ีเหตุต้องประหารได้มักเบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปันติมักและมักเบื้งบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้งบนสาและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่โชหรคตด้วยอุทจจะและอาศัยโมหะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก bon <rand om. S 2> และม oh ักเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสามและกิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยอุทจจะและอาศัยโมหะเกิดขึ้นอารมณปัจใจหก สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาราปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาราปฏิมักเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาราปฏิมักเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาราปฏิมักและมักบืงบนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาราปฏิมัก เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาสายขันที่โสหรรคด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามสายสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามและโมหะอาศัยขันหนึ่ง ที่โสฮะรโครตรวิจิกิจฉาเกิดขึ้นขันสองและโมหะอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจใจมีสามวาระพึงจำแนกเหมือนกับบทว่าโสดาปฏิมักเจ็ 7. สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมั ก, ก ر, และมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมั ก, กและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะอารมณะณปัจจัยได้แก่สามประยุติขันอาศัยโมหะที่สหรโคร ด, ด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ สัมปยุตตะขันอาศัยโมหะที่โสหะรโคตด้วยอุทธะจะเกิดขึ้น 8. สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้อโบนสามเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหะรโคดุวิจิกิจฉาและอาศัยโมหะเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองและโมหะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่จะโหราครด้วยอุทัจฉะและอาศัยโมหะเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองและโมหะเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย9สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระปัจจัยนี้เหมือนกับเหตุปัจจใจอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามมีสามวาระ ปัจจัยนี้เหมือนกับเหตุปัจจัยในอธิปฏิปัจจัยไม่มีโมหะสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบืงบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบืงบนสาเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสมเกิดขึ้นขันสองมหาภูตรูป3อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นออปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 10. สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้มักเบื้งบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสามเกิดขึน้น เพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยและสมนันตระปัจจัย 11. สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคอาศัยสภาวะธรรมที่ม no ีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคเกิดขึ้นเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัย ปัจจัยทั้งสองนี้เหมือนกับอารมณปัจจัยสหชาตปัจใจสิบสองสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เกิขาาขดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเกิดขึ้นโมหะและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่สโสโรค ด, ด้วยวิจิกิจชาเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปต <ส ữ S 1> ิม so play play ัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น ขันสามโมหะและจิตแต่สมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่จหรโคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้น 1, สิบสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้วยมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารได้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้น ขัสนสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาบันติมักและมักเบื่อบนสาอาศัยสภาวธร ร, Lex, ร ม, ม, ร ม, ม ท, ราาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสาเกิดขึ้นพระสหชาติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานะรูปอาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสามเกิดขึ้นโมหะและจิตตสมุทฐานะรูป อาศัยขันที่ชอรโคตด้วยอุทะจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นพระสหชาตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้น ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันสามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่จะห่อรอดด้วยอุทธจจะเกิดขึ้น 14. สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนาสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นพราะสหชาตะปัจจัยได้แก่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 อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญาสัตยพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสราปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสราปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่สัมปยุจจขัน อาศัยโมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะสหชาตะปัจจัยย่อพึงเพิ่มให้เหมือนกับเภทุปัจจัยอัญญามัญญะปัจจัยเป็นต้นสิบห้าสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรค อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิจยปัจจัยเพราะอุปานิชยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาเสวณปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิบากะปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมัคคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัย เพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอาธิปัจจัยเพราะนาิปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอาวิคตตปัจจัย 1. ปัจญานุโลม 2. ส, สังคยาวาระสุดทนาย เหตุปัจจัยมีสิเจดวาระอารามะนะปัจจัยมี11ดวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอานันตระปัจจัยมี11ดวาระสมนันตระปัจจัยมีสิอดวาระสหชาตะปัจจัยมีสิเจดวาระอรญยมัญญปัจจัยมีสิเจดวาระอุปนิสัยปัจจัยมี11ดวาระบุเรชาตะปัจจัยมี11ดวาระ อาเัวณัปจจัยมีสิบวาระกัรมะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอินทรียะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระชานะปัจัยมีสิบเจ็ดวาระมัคปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระสมปรยุตตะปัจจัยมีสิบอดวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอาธิปัจัยมีสิดวาระ นัตติปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีสิบเอ็ดวาร ะ, ะวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปั จ, จยะปั จ, จนิยะหนึ่งวิพังควาระนเหตุปัจจสิบเจ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้อง บ, บนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะ ที่สหรโคด้วยอุทธะจะอาศัยขันที่สหรโคด้วยอุทธะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุุกะซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมเบื้องบนสามเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะหัตยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหัยวัตุเกิดขึ้นอาศัยมหาปูตุรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฐานที่มีอุตุเป็นสมุฐานสําหราเปล่าอสัญญิสัตพรมนาอารมณปัจใจสิบแปด สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบสนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะนอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเกบื้องบน 3. สาม เกิดข pues, mm nah. ึ้นเพราะนอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมรรคและมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตาตารูปอาศัยขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นหาทายะวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่ง สำหรับเหลาอาจานิสสัตสตพรส ม, คคมสิเกสภาวธรรมที่มีเห ต, ต, หคคเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรร ม, มรที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะนัอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้น จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่โสรคตรด้วยวิจิกิจชาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนาะรมณนะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานนรูปอาศัยขันที่สะหรรคด้วยอุทจจะและอาศัยโมหะเกิดขึ้นน้าอธิปฏิปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตะปัจจัยเพราะณอันันตรปัจจัยเพราะณสมันันตระปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปาณิสยาปัจจัยนปุเรชาติปัจจัยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพระาะเนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาเกิดขึ้น จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามและโมหะ อาศัยขันหนึ่งที่เสะเรโคตด้วยวิจิขิชาเกิดขึ้นอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรึกเบื้องบนสามมีสามวาระปัจจัยนี้เหมือนกับบทว่าโสดาปฏิมักยี่สิบสอสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมรึกเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมรึกเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพรานะณปุเรชาตะปัจจัย ได้แก่ในรอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเกิดขึ้นขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรรตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทะจะเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะสำหรับเหล่าอาสัญญาสัตยพรมสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และมักเบื้องบนสามเกิ ด, ดขึ้นเพราะนบปุรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตขันอาศัยโมหะที่สหรกรดด้วยวิจิกิจชาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะหนะุ้เรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตขัน์อาศัยโมหะที่สหรคตรด้วยอุทจจะเกิดขึ้น 23. สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะณบุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานนรูปอาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานในรูปอาศัยขันที่สหรรคด้วยวิจิกิจชาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักบื้องบนสาม และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาติปัจจัยพึงเพิ่มแม่ปัจจัยเหล่านี้เป็นสองวาระนปัจฉาชาติปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะณปัจฉาชาติปัจจัยเพราะนอาเสวณปัจจัย นกรรมปัจจัยี่สิห้าสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เกิดข <unc> ึ้นเพราะนักรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรึกเบื้องบนสอาศัยขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรึกเบื้องบนสาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรึกและมรึกเบื้องบนสอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรึกและมรึกเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะนักรรมัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรึก และมักเบื้อมบนสาอาศัยขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้อมบนสามเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้อมบนสาเกิดขึ้นเพราะนักธรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตเจตนาอาศัยโมหะ ที่สรรค์โคด้วยวิจิกิจชาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สำปรยุติเจตนาอาศัยโมหะที่สวรโค์โด้วยอุทจจะเกิดขึ้น 26. สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรค และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุติเจตนาอาศัยขันที่เจรโคตด้วยวิจิกิจฉาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะนกรรมะปัจจัย ได้แก่สัมปยุตตะเจตนาอาศัยขันที่โสระโควยอุทธัจจะและอาศัยโมหะเกิดขึ้นณวิปากะปัจจัยี่สิบเสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเกิดขึ้นเพราะณวิปากะปัจจัยไม่มีปฏิสนธิณอาหาระปัจจัยเป็นต้นยี่สิบแปด สภาวธรรมที่มีเหตุ er ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามสายสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนอาหารปัจจัยได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญสัตยพรมเพราะนออินทริยปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นปสมุทฐาน สำหรับเหล่าอสัญญสัตยพรมรูปชีวิตินสีอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพราะณชาะปัจจัยปัญจวิญญาณเพิ่เพิ่มมหาภูตรูปด้วยเพราะนามค่าปัจจัยอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุุกะซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และมักเบื่องบนสามสำหรับเหล่าอสัญญาสัตรพรมเพราะณสัมปยุตตปัจจัย นวิบยุตตปัจจัยเป็นต้นยี่สิบเกสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะนวิบยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อาศัสายสภาวธรรม ท, ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิโมหะที่สหรตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เกิดขึ้เนเพราะนักวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในรูปราวจรภูมิขันสามและโมหะอาศัยขันหนึ่งที่สหรโคร ด, ด้วยวิจิกิจชาเกิดขึ้นขันสองสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนาสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะนักวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ในรูปราวจรภูมิละถึง ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสมีสามวาระ30สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะนววิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุธฐานที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสำหรับเหล่าอสศัยนสัตตพรมสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตตะขัน อาศัยโมหะที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ม no ีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตตะขันอาศัยโมหะที่สหรโคตด้วยอุทะจะเกิดขึ้นสาสอสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะนะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปราวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและอาศัยโมหะเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะนาวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปราวจรภูมิขันสาอาศัยขันหนึ่งที่จหรโครด้วยอุทจฉะและอาศัยโมหะเกิดขึ้นขันสองเพราะโนนติปัจัยเพราะโนวิคตะปัจัจ